กิจกรรมช่วงนี้เป็นกิจกรรมประเภทพุทธบูชานะการทําพุทธบูชายกใหญ่กันมีในช่วงนี้เหมือนนเถอะทางคณะเชียงใหม่ทางคณะกรุงเทพซึ่งการทําพุทธบูชามี2ลักษณะด้วยกันคือด้วยอามิสบูชากับปฏบิบัติบูชา น, น, นะซึ่งเราก็ไม่ละเลยทั้งสองประการ ส่วนที่เป็นอามิตรบูชาก็ทั้งดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟผ้านั่นแแล้วก็ในส่วนปฏิบัติก็สมาทานศีลฟังธรรมน่แหละการฟังธรรมนี่ก็นับเนื่องในปฏิบัติติบูชานะก็มีการฟังธรรมเป็นต้นในการทำพุทธบูชาอย่างก็คือเป็นบริวารแวดล้อมของการเจริญพุทธานุสติห การที่ทําจิตให้ละเลิกถึงคุณพระพุพะพทธเจ้าหรือการทําในลักษณะนี้บ่อยๆถ้าเราตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยในการเจริญปีติเหล่านี้เพื่อบรรลุมรรคผลปีติเหล่านี้ก็เป็นปีติสัมโพชงเนี่ยนะซึ่งก็นับเป็นองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้อันหนึ่งเหมือนกั น, นปีติสัมโพชงนั้นถ้าผู้ที่ มั่นคงเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยนะการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยทำให้จิตผ่องใสสบายใจวันนี้ก็ไปมาละที่พระธาตุสามประเทศเนะเี่ยพอพระธาตุสามประเทศมารวมที่เดียวก็คือไทยพม่าศรีลังกามารวมกันที่พุทธบาทตาก้าก็เลยได้ไปทําพุทธบูชากลับมาก็ที่พระธาตุ อริพุนชัยเนี่ยนะก็ไปเดินเย้งเยงกันมาคุณมุนชิวบอกว่าโอ้นี่ยืนนาทีเดียวยังไม่ได้เลยนะก็บอกเอ้าอลไรอย่างงี้จะไปทนที่โน่นได้ยังไงที่โน่นร้อนกว่า น, นี้เยอะเนี่ยนะเขาก็เลยบอกโอ้ที่โน่นจะไปทนได้ยังไงหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็เตโชธาตมันกำเริบแรงมากเทามจะพองกันเอาว่ะ อาการเจริญปีติสำโพธชงเนี่ยนะซึ่งถ้าเรามีการวางแผนสักนิดนึงโดยการทำพุทธบูชาเนี่ยนะในส่วน ท, ทั้งที่เป็นปฏิบัติบูบชาและอมิสบูชาเนี่ยการที่เราทำพุทธบูชาเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะมีผลทำให้เจริญพุทธานุสติก็ง่ายเจริญจาคาานุสติก็ง่ายว่าเราเคยไปทำพุทธบูชาที่นั่นที่นั่นเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งก็นับกลมใน ฐานกุศลอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดปีติและปราโมทก็ตั้งปีติปราโมทที่เจริญเหล่านี้เป็นอุปนิสัยเพื่อตรัสรู้ธรรมในโพชฌงก็ไม่ใช่องค์เดียวใช่ไหมที่จะทําให้ตรัสรู้ธรรมโพชฌงก็มีองค์เจประการตั้งแต่สติสามโพชฌงสตินี้ระลึกอะไรระลึกในกายเวทนาจิตธรรมระลึกในกายว่า ไม่เทีย่ยงละลึกในกายว่าสุภาและลึกในเวทนาว่าเป็นทุกข์และลึกในจิตว่าไม่เทีย่ยงละลึกในธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาธรรมวิจัยสามโพชงก็คืออะไรก็คือการวิจัยใข้ครวญพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเหล่านั้นแหละเพื่อแทงตลอดอริยสัจอันนั้นเป็นกิจของธรรมวิจัยสามโพชง ใน้การเจริญพ่อชงทั้งสองประการก็เจริญด้วยความภาคเพียรเนี่ยนะด้วยวิรยะด้วยความบากบันมั่นคงไม่เลิกไม่ท้อแท้นะมีความบากบันนั้นการเจริญพ่อชงที่ถูกต้องควรจะมีมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเนี่ยนะมีปีติเอิบอิ่มที่นี้ปีตินั้นก็ถือว่า คนที่มีปีติบ่อยๆความสงบมันก็จะเกิดขึ้นนะเรียกว่าปัสสถทนิสัมโพชฌงปัสสถิสัมโพชฌงเ น, นีนย่ยนะถ้าปีติดีปีตินี่เป็นเหตุใกล้ของปัสสธิใช่ปัสสถาธิเป็นอาหารหรือเป็นเหตุใกล้ของสมาธิเนีนย่นยนะปีติเอ่อ ป, ปีติเป็นเหตุใกล้ของปัสสถาิปัสถทนิเป็นเหตุใกล้ของของอะไรของสมาธิเนี่ย ก็คือถ้าปัสตัทธิเกิดสุขก็เกิดละนั่นเองท่นก็รวบรัดไปที่สมาธิกุศลธรรมที่กล่าวไปเนี่ยนะทั้งสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปสัสตัสธิเนี่ยถ้าดำเนินเป็นไปดีโดยสม่ำเสมอควรทำยังไงอันนั้นแหละเป็นกิจของอุเบคาแต่ถ้ามันท้อแท้ล่าหลังแล้วต้องกระตุ้นใช่ไหมทให้มีขึ้นอันนั้นะเป็นกิจของ วิริยะถ้าฟุ้งเกินไปก็เป็นกิจที่จะต้องเจริญสมาธิพันธการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเจริญเนี่ยจึงเป็นไปด้วยลักษณะอย่างนี้จุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการเจริญพ่อชงทุกข้อก็เพื่อเพื่อการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นก็คือการบรรลุอริยสัจหรือการแทงตลอดอริยสัจการที่เออเราก็รู้ชัดจุดประสงค์วัตถุ หรือว่าจุดมุ่งหมายของการเจริญโพชงใช่ไหมว่าจุดจบก็คือการแทงตลอดอริยสัจซึ่งอันที่จริงสติปฐานที่เราเรียนกันมาเนี่ยประกาศอริยสัจทุกบับพพะแต่เราเห็นอริยสัจกันหรือยังพอประพิมประพายบ้างแล้วนะว่าอริยสัจมันคืออะไรนะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอที่จะแทงตลอดอริยสัจอันที่จริงทุกๆุกบัพพาก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจใช่ไหม ในกายเนี่ยนะกายานุปัสสนาเนี่ยคว่ากายหมายถึงขันอะไรรูปขันถ้ารูปขันเนี่ยนะรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโร ธ, รโรธาคามินีปฏิปทานถ้าเรียนกายานุปัสสนาแล้วเจริญได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์บรรลุจนผุดผ่องเนี่ยนะก็สามารถที่จะตรัสรู้ลักษณะนั้นแทงตลอดว่ากายกายสมุทยัย กายนิโรธกายนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือรูปรูปสมุ ท, ทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทาในเทาเวทนาล่ะเวทนาทั้งหลายก็นับเนื่องในถ้าพิจารณาได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ถูกต้องก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้การที่จะแทงตลอดเวทนาสูตรก็คือเวทนาเวทนาสมุ ท, ทยัยเวทนานิโรธ เวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาแล้วก็เวทนานั้นถ้ารู้จริงก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้ทีนี้จิตล่ะจิตทั้งหลายก็มาเจริญวิปัสนาจิตก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธาคามินีปฏิปทาส่วนธรรมะคือนิวรณ์ก็คือสังขารขันธ์ใช่ไหมนิวรณ์กับโพชฌงก็เป็นสังขารขันธ์ก็ สังขารสังขารสมุทัยสังขารนิโรธสังขารนิโรธคาไมินีปฏิปทาสัญญานี้ก็เข้าอยู่แล้วนะเพราะว่าสัญญามันวิปลาสในกายใช่ไหมสัญญานิวิปลาสในเวทนาสัญญานิวิปลาสในจิตถ้าทำปริญญาในสิ่งนั้นจริงจะแทงตลอดสัญญาขันด้วยนั่นก็แทงตลอดสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธคามินีปฏิปทา การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เพื่อบรบรลุเพื่อแทงตลอดอริยสัจธรรมซึ่งการเรียนที่ผ่านมาของเราทั้งหลายเนี่ยคือพอมองเห็นช่องหรือยังว่าพระอริยะท่านบรรลุอะไรกันเราพอมีส่วนไหมเนี่ยนะพูดคํานั้นได้หรือยังคุณเฉลิมพูดคํานั้นได้หรือยังหนาะฟังไม่ออกเลยฟังไม่ได้ยินฮ๋ อ๋โอโหมากไปมั้งเน่นเละมันจะหนักใจก็เพราะอย่างนี้แหละคาตอบประเภทนี้แหละไม่รู้จะจะให้เข้าใจว่ายัางไงวัดผลไม่ได้เลยนะนะกุนายพอได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อยังเลยนะโอ้โนี่ตอบตรงสภาวะมากจริงจริงอยู่ใกล้ๆหัวหน้าห้องนะยังไม่ได้เลยนะคิดถ แสดงว่าผลนาดูแลไม่ดีเลยตอบอย่างมั่นใจเลยตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะตอบทันทีเลยกระชับกระเชงมากคน <c oughs> คุณนงไม่ถามนะขาดเรียนนาน <c oughs> คุณไพลินไห์น่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอริยสัจนี่พอเ ข, เข้าบ้างหรือยัง <c oughs> เราได้เข้าไปเยอะแล้ว <c oughs> วัตถุประสงค์ของการศึกษาทุกทุ ก, ทกหมวด ท, ทุกทุกข้อก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจเพื่อบรรลุอริยสัจเนี่ยนะซึ่งกายเวทนาจิตธรรมเป็นอะไรสัจจะกายเวทนาจิตากายเวทนาจิตตรงๆก็เป็นทุกขสัจจะใช่ไหมธรรมะก็แบ่งเป็นถ้าเป็นกลุ่มนิวรนเป็นสมุทยัยสัจจะพ่อชองเป็นสาย มัคคสัจจะนั่นแหละขันายตนะก็เป็นทุกคสัจจะซึ่งเราก็เรียนอริยศาสตร์มาพอสมควรแล้วล่ะนั่นแะทีนีอ้อย่างที่กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของคําสอนทุกหมวดทุกหมู่ก็เพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เพื่อบรรลุอริยศาสตร์แต่ถ้าไม่บรรลุสักทีหนึ่งพระ อ, องค์ก็เลยแสดงเป็นอริยศาสตร์ไปเลยตรงๆเลย นนะไม่อ้อมค้อมแล้ววงั้นก็เรียกบพ้าสุดท้ายก็เลยป ร, ประมวลเป็นสัจจะเนี่ย น, นะก็จะได้บรรลุอริยสัจเพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่การแทงตลอดอริยสัจหรือคําว่าพระพุทธเจ้าก็เพราะตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้านนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโยธรรมังเทเสติว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว แสดงธรรมก็คือแสดงอริยสัจโดยเฉพาะสูตรแรกที่พระองค์ประกาศสูตรแรกเนี่ยนะเรียกว่าธรรมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์บอกว่าพระองค์นี่ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็บอกเลยว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้ยังไงทุกขสัจนี่ตรัสรู้ด้วยปริญญาเนี่ยนะทุกขสัจนี่ตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยสัจตรัสรู้ด้วย ปหานะนิโรศตรัสรู้ด้วยทาให้แจ้งสัจจิกาตภะทำให้สัจจิกิริยามรรคตรัสรู้ด้วยด้วยภาวนานะเพราะพระองค์ทำกิจในอริยสัจสี่ประการเสร็จแล้วพระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนว่าด้วยอริยสัจนั้นเป็นคำสอนที่ปฏิเสธสัตว์ทั้งหลาย ขื้นต้นด้วยทุกขาริยสัตว์ก่อนใช่ไหมทุกคำว่าทุกนี่ปฏิเสธปฏิเสธอะไรปฏิเสธสัตว์ถ้ากล่าวว่าสมูทัยนี่ปฏิเสธอะไรอืถ้าแสดงคำว่าสมูทัยนี่เท่ากับปฏิเสธอะไรถ้ากล่าวทุกปฏิเสธสัตว์ นนะถ้ากล่าวสมุทยัยประเสปฏิเสธลัทธิพระเจ้าปฏิเสธผู้เป็นใหญ่สร้างว่าตัวทุกข์นี่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาสัสารบ้านส่วนให้นะแล้วก็นิโรศจระนี่นันนิโรจนั้นก็ประกาศอะไรความสงบว่า ทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดแต่สงบได้นะสงบระ ง, งับดับได้นะไอเหตุอันเนี้ยนะนะแต่ถ้าเราโยนไปให้ผู้เป็นใหญ่เนี่ยสร้างขึ้นว่าทุกขเนี่ยผู้เป็นใหญ่สร้างขึ้นเราเราต้องการจะฆ่าผู้เป็นใหญ่ไหมเพื่อจะดับทุกันนะโอ้ยม่มีใครกล้าใช่ไหมกลัวบาป ม, มากแต่นี้บอกว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากเหตุคือตันหาเป็นต้นโอ้ตันหานี่มันฆ่าได้นะหรือดับได้จริงๆอันนั้นเป็น นิโรธสัจจะแล้วหนทางมีอยู่นะหนทางเพื่อดับอย่างที่ว่าหรือข้อปฏิบัติเพื่อดับนั้นเรียกว่ามักหรือทุกขานิโรทค า, ามินีปฏิปทาอันนี้ก็เป็นหนทางเป็นมัคคาเพื่อแทงตลอดอริยสัสน์เนี่ยนะดังที่กล่าวไปว่าสติปทานที่เราแสดงที่เราเรียนไปแล้วโดยเฉพาะกายเนี่ยนะ ในกายานุปัสนาสติปฐานก็แสดงทุกขสัตว่าเป็นกายเป็นอะไรอีกเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมะเนี่ยนยะการแสดงกายเวทนาจิตธรรมเพื่อละวิปลาสอะไรอะขอไปเพื่อละอะไรบอกเพื่อละวิปลาส สัญญาวิปปราชจิตตะวิปปราชอะไรทิฏิวิปปาราชก็คือเพื่อละวิปปราชที่เป็นสัญญาเป็นจิตและทิฏฐิเนี่ยนะซึ่งสัญญาจิตทิฏฐิที่วิปปราชเพราะเกืดอร่วมกับตัณหามันเป็นบริวารเป็นบริขารของ ตัญหาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวประกาศสัจจะคือความจริงของกายที่เป็นความจริงของเขาเขากายก็คืออะไรอสุภะความจริงของเวทนาก็คือเป็นทุกข์ความจริงของจิตก็คือไม่เที่ยงความจริงของธรรมะก็คืออนัตตาเหนไหมดังั้นการแสดงสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อละวิปรสสนคือสมุทัยถ้าละสมุทัยได้อย่างแท้จริงะ น, น ทละความวิปลาสใดโดยแท้จริงเนี่ยถามว่าจิตจะเกาะเกี่ยวในกายเวทนาจิตไหมปัญญานี้จะเกาะเกี่ยวกับสังขารธรรมไหมซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายโดยความหมายพวกกายเวทนาจิตธรรมเพราะมีอาจว่าเบียดเบียนเนี่ยนะพระอาถาว่าเบียดเบียนเพราะอาจถาว่าบีบคั้นเพราะอาจถาว่ า, เ ร, า, า, วาเร่าร้อนเนี่ยนะเพราะอาจถาว่าถูกปัจจัยเนี่ยปรุงแต่ง เพราะอัตถะว่าแปรปรวนเพราะอถะว่าแปรปรวนเมื่อเมื่อเห็นแต่ความเดือดร้อนความเร่าร้อนความลำบากความไม่จีรังยั่งยืนมีแต่ปัญหาเนี่ยถามว่าจิตเนี่ยต้องการเลิกเกาะเกี่ยวกับสังคตะธรรมเหล่านี้ไหมเจดก็เลิกเกาะเกี่ยวเนี่ยไอการที่วิปัสสนาปัญญาทั้งหลายไม่เกาะเกี่ยวในกายเวทนาจิตธรรมก็จะมีอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าความสงบจากสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ยึดห่วงไอ้ความสงบอันนั้นเรียกว่าเรียกว่านิสรณะธรรมะเป็นที่สลัดออกจากจากสภาพที่แปรปรวนเบียดเบียนบีบคั้นนะก็สลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ธรรมชาติอันนี้เนี่ยนะเป็นอสังคตะ ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นอมะตะไม่ตายเป็นอะไรอ่นะเป็นธรรมชาติที่วิวเวกนะอา่าก็ด้วยข้อปฏิบัติคือมรกดังที่กล่าวไปนั่นนะเอ่อในบรรดาโครงสร้างสติปฐานที่เราเรียนทั้งหมดที่ผ่านไปก็มีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจ สมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อแสดงโดยกายก็กบรุอริยศสตร์ก็มีบรรลุมรรคผลเลยก็คือกายัคตาสติทั้งหลา ย, ยาน่นะกลุ่มกายัคตาสติทั้งหลายนั่นแหละคือกายานุปัสนาเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังกายัคตาสติบรรลุธรรมนี่มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะบรรลุมีมากทีนี้บางพวกนี่ก็ต้องฟังเวทนาแล้วจึง บรรลุใช่ไหมอย่างเวทนาสั่งยุทธ์เนี่ยนะเป็นสั่งยุทธ์เยนะเวทนาเนี่ยเพรา้ น, นี้ฟังเรื่องเวทนาก็บรรลุผู้ที่ฟังเรื่องจิตบรรลุเส้นฟังจิตตุ ป, ปาถากันเป็นต้นหรือฟังอื่นๆเนี่ยนะที่กล่าวอธิบายเรื่องจิตก็สามารถที่ตรัสรู้ได้บางพวกก็ต้องแสดงเป็นนิวร์เป็นโพชงเป็นต้นเขาก็สามารถตรัสรู้ได้ แต่กลุ่มคนที่อินซีอ่อนๆทั้งหลายจะต้องเอาพวกนี้มาเรียนทั้งหมดโดยโดยละเอียดทีนี้โดยละเอียดแล้วรู้หรือยังของเราไม่ทราบว่าเรียนละเอียดหรือยังนะละเอียดหรือยังคุณหมอยุพินก็ <c oughs> <c oughs> ปานกลางน <c oughs> ั่นปานกลางว่างั้น ซึ่งต่อไปนี้ก็มาขึ้นบัพพะสุดท้ายของสติปทาน น, น, นจบได้เหมือนกันนะที่เยอะเพราะว่าเอาอัตรกถามาจากที่อื่นๆกน็นน <c oughs> คือถ้าเป็นสร้างเจดียโหก่อรากก่อร่างลงเข็มลงอะไรมาเป็นอย่างดีเลยนะก็ตอนนี้จะสร้างยอดแล้วนะ จะทำยอดแล้วทีพูดถึงว่ า, าบัพพานี้นะฮะความจริงที่เราเรียนมาก็มันก็เป็นสัจจะทั้งนั้นเลยถูกไหมครับแล้วก็มาบัพพานี้เนี่ย ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผมน่าจะเข้าใจนะะน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยนะยังไม่ได้ดูนะฮะในนี้นะฮะเพราะว่าเราเข้าใจเข้าใจโครงสร้างของอริยสัจแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้การที่เราเอามาทําปริญญาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่หนีหนีไม่พ้นนะ่ะหนีไม่พ้นสัจจะนะุ ถ, ถ้าเราทําปริญญานในในกายานุปัสสนานี่ยนะในการยุเวทนาในจิตในธรรมก็ดีก็ไม่พ้นอริยสัจอยู่แล้ว ถูกไหมครับแต่การที่เอาอริยสัจจะนี่มาเป็นอีกหนึ่งบัพพาหนึ่งเนี่ยผมยังสงสัยว่าท่านจะอธิบายในลักษณะไหนเจ <c oughs> อในบัพพาแรกๆนะแยกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมพออริยสัจเนี่ยนะใช้สัพ์เดียวสังก็บอกว่าสังคิเ ต, เตนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธาทุก ข, ขาว่าโดยย่อขันท่าคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นก็กลับไปอธิบายที่เก่า แต่จะกล่าวว่าขันห้าเหล่านี้เนี่ยมันทุกยังไงทุกทุกเนี่ยนะคือคือเราเรียกวิธรรมปริญญาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราทําปริญญาจนเห็นชาติปิทุกขาความเกิดของขันเหล่านี้เป็นทุกชราปิทุกขาความแก่ของขันเหล่านี้ทั้งหมดเป็นทุกมรณะปิทุกขังความแตกทําลายเสียหายของขันเหล่านี้เป็นทุกเนี่ยนะแล้วก็ โศกอาศัยขันเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจยเป็นที่ตั้งแห่งความพิรัยรำพันเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจแล้วก็ปรารถนาไม่สมหวังปรารถกก็ไม่สมหวังแล้วก็พลาดพลากจากขันอันเป็นที่รักประจวบกับขันอันไม่เป็นที่รักพวกนี้เรียกว่าเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโดยยอดที่กล่าวไปทั้งหมดนั่นแหละคือตัว ขันหซึ่งบางคนนั้นน่ะถ้าไม่ฟังกรถาหรือหรือคำสอนตรงนี้ตรงๆมันคิดเองไม่ได้อย่างวิจัยกายเนี่ยกายประกอบไปด้วยรูปมีอะไรบ้างอะมหาพูดสีแในรูปที่อาศายัยมหาพูดสีที่เกิดจากสมุธฐานสีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีแต่ถ้าพิจารณาไม่ละเอียดนี่ไม่สามารถที่จะยังถึงว่า กายเป็นต้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโสซโกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตอย่างไรเนี่ยนะคือเป็นการประกาศถึงการทำปริญญาตรงๆเลยนะกรกวาชี้ชัดถึงวิธีการทำปริญญา <c oughs> กายเวทนาจิตธรรมะเนี่ยนะกายก็เท่ากับขนาาันธ์อะไร รูปขันเวทนาก็เท่ากับเวทนาขันเจตก็เท่ากับวิญญาณขันธรมมะก็เท่ากับสัญญาขันและสังขารขันขันขันเหล่านี้โดยย่อเขาเรียกว่าอุปาทานขันห้านี่นะอุปาทานขันแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น หรือแดนโคจรแห่งอุปาทานหรือมันพวกนี้มันเกิดจากอุปาทานดินแดนโคจรแห่งอุปาทานหรือว่ามีอุปาทานเป็นปัจจัยนี่ความเป็นจริงของขันเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อบุคคลเอาเอ า, เอาทั้งหมดที่กล่าวไปซึ่งถ้าจำเนกกายสิบสี่บัพเพะเวทนาเก้าจิตสิบหกธรรมะทั้งสี่กลุ่มที่ผ่านมา ทั้งสีกลุ่มที่ผ่านมานะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่โดยสภาวะนั้นเป็นไปกับชาติชาาและมรณะาการประกาศชาติกับชราเนี่ยนะเท่ากับประกาศลักษณะอะไรประกาศทุกขลักษณะประกาศทุกขลักษณะนะการประกาศมรณะคือประกาศ อันนี้จะลักษณะเหล่านั้นก็คือประกาศความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วก็ยังประกาศต่อไปอีกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินเดินแห่งอะไรโอ้โหร้องโดยมากปลื้มหรือเครียดโดยมากปลื้มหรือเครียดที่มีขันห้าเนี่ยนะอะไรดีอาจารยกสอนปลื้มหรือเครียดตกลง ก็ไม่ต้องตอบก็ได้เนาะรู้กันว่าก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งโสกะนะคือเครียดนั่นแหละพูดแบบภาษาไทยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเครียดปริเทวะเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งการพูไไ ท, ทยบอกพร่ำแปลเป็นไทยอีกแยกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบน่นถ้าเราจะบ่นนี่เราบ่นเรื่องอะไร ก็บ่นเรื่องขันท่านั่นแหละบ่นเรื่องบ่นเรื่องกายบ้างบ่นเรื่องเวทนาบ้างก็เที่ยวบ่นไปดนะ้วยนะเพราะบางคนเนี่ยนะเขาเข้าใจแข็งเขาไม่ร้องไห้แต่แต่เขาบ่นแทนนะพูดมากพูดอยู่นั่นแหละแล้วก็ถามว่าเจ็บปวดไหมกายเนี่ยเป็นวัตถุแห่งความเจ็บปวดหรือไม่อันนั้นเป็นทุกข์แล้วก็แคะเสียใจประจําเลยนะ โทมนัโกรธไม่โกรธออกแต่มันเสียใจจริงๆเลยนะอันนั้นแหละเป็นโทมนัทนะเป็นโทมนัทเสียใจมากเลยนะเตี่ยวค้องแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยห้ยลำบากใจไปหมดเลยไม่เป็นดังคิดสักอย่างอ่ะนะ